ข้อความในคำพีคุตกานิกายอิติวุตตกะนะครับเฉพาะอัตฉริยวิตกะสูตรที่ยกข้อความในยานะต่างๆนะครับของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในพยานทั้งหลายเหล่านั้นก็เช่นอาสยานอุสยายานนะครับ ยานที่หนึ่งอะไรครับในอาสา ธ, าธานาญาณหกหนึ่งอินเดียะโปรปริยัติญาณอินเดียะโปรปริยัตตะนะครับไม่ใช่ปริยตินะปริยาตตะยานนะครับยานที่ยังรู้ความยิ่งและความหย่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการ50นะครับนะโดยอาการ50ถามว่าอาการ50นั้นก็คือเอาศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานะครับ ไปคูณกับธรรมะสิบข้อนะสิบข้อคือพวกที่มีกิเลสดุจธุลีในปัญญาจักสุน้อยเนี่ยนะครับหรือว่ามีกิเลสดุจธุรีน้อยในปัญญาจักสุเนี่ยแสดงว่าหมายถึงพวกที่มีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญาพวกที่มันมีกิเลสดุจธุรีมากในปัญญาจักสุนี้ก็แสดงว่า ไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพวกที่มีอินทรีย์แก่กล้านี้แสดงว่ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะครับพวกมีอินทรีย์อ่อนก็แสดงว่าไม่มีขาดศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพวกที่มีอาการดีก็ได้แก่พวกที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพวกที่มีอาการชั่วก็ได้แก่พวกที่ไม่มี ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานั like <that> ่นเองนะครับหรือว่าผู้ที่สอนให้รู้ได้ง่ายก็คือพวกที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพวกที่สอนให้รู้ได้ยากก็ขาดศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะครับพวกที่มีปกติเห็นประโลกและโทษโดยความเป็นภัยนั้นก็เป็นพวกที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพวกที่ไม่เห็น ประโลกและโทษโดยความเป็นภยัยพวกนี้ก็ไม่มีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นใน10ข้อคูณอินซีย5ก็เท่ากับ50านะครับ5้าสานั้นก็อยู่ในฝ่ายไม่ดี25ายี่นะครับฝ่ายไม่ดี25ฝ่ายดี25นะครับไไ 25, <า>นะเนะพราะรายละเอียดก็ได้กล่าวไปครั้งหนึ่งแล้ว ผพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าญาณคือสธาวิริยะสติสมตาวิริยะสติสมาธิปัญญาครับอินรีย์านะคืออินรียห้านี่นี่นะครับมากหรือน้อยก็ดูดูได้จากว่าถ้ามีกิเลสมากแสดงว่าอินทรีย์5น้อยถ้ามีกิเลสน้อยก็แสดงว่าอินรียหามากเพราะงั้นนะนะหรือว่าพวกที่อาการดีหรืออาการชั่วเอาอินทรีนั่แหละเป็นเครื่องตรวจสอบสอนให้รู้ง่ายให้รู้ยากก็อินรีย้านั่นแหละครับเป็นเครื่อง ตรวจสอบนะครับที่นี่ในอิออนเดียปรกปริยติยา น, นี่นะครับทบทวนว่าพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคในปิดกสามนี่นะครับคือคําสอนที่เกื้อกูลต่อศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญานะครับพระวินัยนั้นเกื้อกูลต่อสัจทินสีนะครับพระวินัยเนี่ยนะเพราะว่า ผู้ที่เจริญอย่างนี้มากๆก็จะได้ศรัทธาเพราะผู้ที่รักษาศีลดีนี่ก็แสดงว่าศรัทธาบริบูรณ์นะครับศรัทธานี่จะบริบูรณ์พระสูตรส่วนหนึ่งก็ส่งเสริมวิริยินทรียนะครับบางสูตรก็ส่งเสริมสตินินทรีเป็นต้นะนะส่วนพระพิธรรมก็ตันยินทรีนะครับแล้วก็บางส่วนก็มีสมาธินทรีดังนั้นคําสอนในพระไตรปิฎกทั้งหมดก็คือคําสอนที่เกื้อกูลส่งเสริม ให้แก่กล้านะครับให้ศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพอกพูนไพบูนนั่นเองนะครั บ, ร ค, รบคือโดยเฉพาะพระวินัยนี่นะครับส่งเสริมศรัท ธ, ธาทสรัท ธ, ธินรี่เพราะว่าพระวินัยนั้นผู้ที่จะประพฤติได้บริบูรณ์ก็แสดงว่ามีตถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยมากจึงจะประพฤติปฏิบัติได้อย่างบริบูรณ์แล้วก็ผู้ที่ แต่งพระสูตรเนี่ยก็จะมีความเพียรดีนะครับเพราะว่าพระสูตรเนี่ยส่งเสริมให้มีวิริยะให้มีสติแล้วก็ให้มีสมาธินะครับคืออินทรีย์กลางๆเนี่ยนะจะหาได้จากพระสูตรซะส่วนใหญ่นะครับส่วนพระพิธรรมนั้นส่งเสริมปัญญอินทรีนะครับนี่ถ้าจะกล่าวโดยปิดก่อนะแต่ว่าผู้ที่จะเข้าใจพระวินัยดีก็ต้องมีอินทรีย์ทั้งห้อีกนั่นแหละครับผู้ที่จะเข้าใจพระสูตรดีก็ต้องมีอินทรีย์ทั้ง5นั่นแหละผู้ที่จะเข้าใจพระพิธรรมดีก็มีทั้ง อินทรีห้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคําสอนในปิดกสมนี้เกื้อกูลต่อการเจริญการแก่กล้าของอินทรียทั้ง5้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่มีอินทรีย์ยิ่งอินทรียหย่อนเนี่ยนะแตกต่างกันในลักษณะนี้พระผู้มีพระภาคอาศัยพระมหากรุณาธิคุณเลยแสดงธรรมะนะครับมากเพื่อเกื้อกูลต่ออินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆแต่ทีนี้พวกที่ไม่เคยมีอินทรีย์เลยก็ต้องมาหัดบ่มนะครับโดยการศึกษาเรียนรู้ พระธรรมคำสอนเป็นต้นเนี่ยคำสอนเหล่านี้ทั้งหมดเป็นไปเพื่อบ่มศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญานั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่าอาสยานุสยญาญยญาณที่รู้อาสยะและอนุสัยของของสัตว์ทั้งหลายนะครับญาณที่รู้อาสยและอนุสยะนั้นเอาหวกในญาณ น, นี้นะครับมีบทธรรมะที่ควรจําอยู่6คํานะครับหคํา คำหนึ่งก็คือคําว่าอาศยะคําที่สองคืออนุสยะหรืออนุสัยคําที่สามคือจริตคาที่สี่อธิมุตคําที่ห้าก็คือพัพพระคําที่หก็อภัพพระเพราะฉะนั้นในอาศยานุสยะยานก็จะขยายหคํานี่แหละครับขยายหคํานี้จริงๆใน6คํานั้นคําแรกโดยสับก่อนนะครับคือคําว่าอาศยะคําว่าอาสยะนั้นเป็นชื่อของอะไรครับเป็นชื่อของ สันดานเหมือนกันเถอสันตาณะนะพูดเป็นบาลีให้เ พ, อพอ dad, to er ่อๆหน่อยก็สันตาณะเป็นชื่อของสันตาณะสันตาณะนี่นะครับแบ่งออกเป็นสองคือสัมมาทิฐิหรือมิจฉาทิฐินะครับทีนี้ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิก็แบ่งออกเป็นสองคือสัสนตทิฐิและอุเฉทิฐิอุเฉททิฐินะครับผู้ที่เป็นสัมมาทิฐิก็แบ่งออกเป็นกรรมสกตา หรือวิปัสนาหรือมัคคยานนะครับในสายสัมมาที่เินะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาัยะของสัตว์ทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นทรงรู้แจ้งแทงตลอดหรือว่าอาัยะหนักไปทางกามหรือว่าทางเนคขมะเป็นต้นนะครับนี่นี่คือความหมายของคำว่าอาัยะนะเป็นชื่อของสันตานะหลังนั้นะ ส่วนอนุสัยนั้นเป็นชื่อของกิเลสทั้งหลายมีการมาราคะเป็นต้นนะครับที่มีกําลังแรงกล้าเป็นชื่อของกิเลสที่มีเรี่ยวแรงมีพลังนะครับพลังแค่ไหนครับก็มันมีพลังสามารถเกิดได้บ่อยๆนี่แหละครับเพราะฉะนั้นอนุสัยนี้โดยศัพเพ น, นะก็คืออนุเส enti หรือที่เรียกว่านอนเนื่องนะคาว่านอนเนื่องนี่ความหมายว่ามันยังละไม่ได้หมายถึงว่ามันได้เหตุได้ปัจจัยที่สมควรแล้วเกิดทันทีเลยอันนี้ลักษณะอันหนึ่งของ คำว่าอนุสัยนะครับนั้นคำว่าอนุสัยนั้นต้องเข้าใจนะครับว่าเข้าเกิดพร้อมกับจิตนะครับจิตโลภะจิตที่ไหนอ น, อ น, อนุสัยเกิดที่นั่นโทสะจิตที่ไหนอนุสัยเกิดที่นั่นโมหะจิตเกิดที่ไหนอ น, อนุสัยเกิดที่นั่นแต่ก็จะเกิดตามสมควรถ้าทิฏฐานอนุสัยเกิดมานานอนุสัยไม่เกิดพร้อมกันนะครับนะถ้าหากว่า มานานุสัยเกิดอวิชานุสัยก็เกิดร่วมด้วยนะครับเ<ส>พราะว่าอวิชานุสัยเกิดร่วมกับอกุศลจิตทั้งหมดนะครับาการมาราคานุสยัยหรือราคานุสัยเนี่ยนะครับเกิดร่วมกับโลภามูลจิต8 <ด>ปฏิคานุสัยก็เกิดร่วมกับโทสะมูลจิต2 2> สองวิจิกิชานุสัยก็เกิดร่วมกับโมหะมูลจิตหนึ่งดวงนะครับเพ<ด>ราะฉะนั้นอนุสัยทั้งหลายก็เกิดร่วมกับจิตทั้งหลายนั่นแหละมานานุสัยนี้เกิดร่วมกับโลภะ วิปยุตสี่ดวงทิฏฐานอนุสัยเกิดร่วมกับโลภะสัมปยุตสี่ดวงเพราะฉะนั้น อ, นอนุสัยนั้นเป็นจิตตสัมปยุตนะครับแล้วอนุสัยนี้เกิดขึ้นเป็นสารมณะหมายาว่าเขารู้อารมณ์นะครับอนุสัยมีสีเป็นอารมณ์ก็ได้มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโภตาภาพมีธรรมะเป็นอารมณ์ก็ได้นะครับแล้วก็อนุสัยนั้นเป็นสัพยยะเทนะเป็นไปกับด้วยปัจจัย ปัจจัยของอนุสัยเช่นเหตุปัจจัยเป็นต้นนะครับถ้าการมาราคาอนุสัยก็มีเหตุปัจจัยนะครับมีเหตุปัจจัยเป็นต้นนะครับตามสมควรนะครับแล้วก็อนุสัยทั้งหมดนี่นะครับเป็นเอกันตากุโสโลคือมันเป็นอาคุศลโดยส่วนเดียวนะครับอย่างไรเสียอนุสัยก็ต้องเป็นอาคุศล น, นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจว่าอนุสัยเนี่ยที่พวังก็มีจริงๆไม่มีนะครับ อนุสัยนี้ไม่มีกิเลสระคนอยู่ในนั้นเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นในขณะภวังในขณะอเหติตกจิตในขณะมหากุศลเป็นต้นเนี่ยนะครับไม่มีอนุสัยเลยแต่ยังกล่าวไม่ได้ว่าเขาละ ก, กิเลสได้หมดนะครับเพราะว่าไอคําว่าอนุสัยหรือกิเลสทั้งหลายเนี่ยถ้ายังไม่เจริญอรหัตตมรรคให้เกิดขึ้นนะครับเขาได้ปัจจัยแล้วเขาเกิดเลย ได้ปัจจัยแล้วเกิดเลยเพราะฉะนั้นเกลาฟังธรรมอยู่อาจจะมีโทสะเป็นต้นแทรกบ้างเพราะได้ปัจจัยโทสะก็เกิดได้ปัจจัยโลภะก็เกิดได้ปัจจัยมานะก็เกิดได้ปัจจัยอวิชาก็เกิดเพราะว่า อ, อ, อนุสัยทั้งหลายหรือกิเลสทั้งหลายเนี่ยเป็นไปกับด้วยปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นเขานี่เป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลก็แสดงว่าไม่ฉลาดนะครับเป็นปฏิปักษ์ต่อกุศล เพราะนั้นอนุสัยเหล่านี้เกิดขึ้นก็ทำให้กุศลเนี่ยนะครับเสื่อมถอยกำลังลงไปแล้วก็อนุสัยเนี่ยนะครับเป็นไปในการ3นะเพราะว่าอนุสัยนี้เป็นสังขารธรรมเพราะนั้นถ้าเป็นสังขารธรรมก็ต้องเป็นไปในการ3คือทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นอนาคตและเป็นปัจจุบันนะครับเกิดได้ในการ3มนั่นเองอันนี้ก็คำว่าอนุสัยนะครับ ส่วนคำว่าจริตนั้นก็คือหมายถึงกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ทำเอาไว้ในชาติก่อนในลักษณะของคำว่าจริตอันนี้ขยายโดยสัพนะครับส่วนอธิมุตนั้นได้แก่การปล่อยจิตไปในกุศลหรืออกุศลในชาตินี้นะครับนิยมปล่อยจิตไปทางไหนล่ะ ง, งนลักษณะนั้นเรียกว่าอธิมุตส่วนข้อต่อไปคือพับภ萨พภับ菩萨นั้นหมายถึงผู้ที่ จะสมภพคือจะบังเกิดโดยเป็นอริยชาตินะครับคือหมายว่าผู้ที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าเรียกว่าพระส菩萨หรือผู้ที่จะเป็นภาชนะรองรับพระธรรมเพราะถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยสมควรแ ก, กร่การแทงตลอดอริยมรรคนะลักษณะนั้นนะครับเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นพระ菩萨นะครับผู้คู่ควรแก่การบรรลุมรรคผลนะครับ หรือพวกอภัพ菩萨ก็คือผู้ที่ไม่ไม่สามารถจะเกิดเป็นพระอริยะได้เลยไม่สามารถที่จะเป็นโสดาสกธ า, าคาอะไรสักอย่างนะครับคือไม่สามารถที่จะรองรับพระธรรมระดับโสดาปฏิมรักได้นะเพราะไม่สมควรกับการบรรลุมรรคผลแต่ถ้าหากว่าเอ้เรานี่เป็น พ, พระภ菩萨หรืออภั พ, พภั萨ถ้าเป็นผมสามารถพูดได้เลยว่าเป็นอภัพภอภัพ菩萨นะครับ เอ้าวงั้นถ้าเป็นอาภาพาัพภระสาทเรียนไปทําไมนะครับถ้าหากว่าไม่เรียนก็จะอาภัพตลอดการนะครับถ้ารู้ว่าเป็นอาภัพนี่นะครับจะต้องรีบเรียนไว้นะครับชาติต่อๆไปจะได้ไม่อาภาัพขออภัครับอไม่ทราบว่าเอาเครื่องเอาอะไรมาวัดเป็นเครื่องเป็นให้เป็นเป็นเครื่องให้รู้ว่า เป็นพษษระั菩萨หรืออภั菩萨ครับก็เอามรคลมาเป็นเครื่องวัดนะครับถ้าสามารถบรรลุมรคลได้ก็แสดงว่าเป็นพระ菩萨ถ้าไม่สามารถบรรลุมรคลได้ก็เป็นอภ菩萨แล้วก็รู้ได้ไงครัว่ชาติานี้เราจะไม่รู้อรู้ครับ <c oughs> คนอื่นไม่ทราบนะครับแต่ผมคิดว่าผมไม่ได้ไม่ได้แน่นอน <c oughs> ต่อไปนะครับขยายโดยพิสดารคําว่าอาสยะของศาตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับว่า ในอาสยะของสัตว์ทั้งหลายนี่นะครับบางพวกก็เป็นภาวะทิฐินะครับคือเป็นประเภทสัสตตถิฐ uh, um, pues nope. ินี่นะครับบางพวกก็เป็นวิภวะทิฏฐิคือเป็นประเภทอุเฉททิฐินะครับทีนี้ในสัสตตถิฐิและอุเฉทถิฐิเนี่ยก็มาขยายเป็นมิจฉาทิฐิมีวัตถุสิบนะครับว่าบางพวกถือว่าโลกเที่ยงบั้งนะครับพวกโลกเที่ยงก็คือสัตตตถิเถรนะครับคำว่าโลกในที่นี้ไม่ใช่ว่า กลมๆเหมือนลูกมะนาวนะคำว่าโลกคือเนี่ยในสรีระเนี่ยนะครับสําคัญอัตตาสําคัญอะไรอันดึงว่าเป็นอัตตาก่อนแล้วอัตตานี่แหละชื่อว่าโลกอัตตาเนี่ยเที่ยงนะครับเช่นว่าวิญญาณเนี่แหละเป็นโลกนะอันเนี้ยเป็นโลกพันกายอันนี้แหละแปว่ามันมีกายทิพย์อยู่ในนี้นะอันนั้นแหะเป็นโลกโลกอันนั้นนะมันเที่ยง นะมันจะเกิดต่อในะร่างกายนี้มันก็เหมือนกับถอดเสื้อผ้าทิ้งนั่นแหละมันก็ไปเกิดใหม่ไปเรื่อยลักษณะเนี่ยนะ<อ>เพ อ, นน อ, อเราตายจากภพนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปเกิดชาติหน้าอีกครับในความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นไปเลยถ้าหากว่ายังไม่หมดกิเลสนี่อะไรจะเกิดครับวิญญาณปฏิสนธิถ้ายังมีปัจจัยให้วิญญาณปฏิสนธิได้ แต่เขาไม่ได้เข้าใจแบบนี้เนี่ยเขาเข้าใจว่าไอาปฏิสนธิจุติไม่ใช่มันอันเดียวกันเลยนะเหมือนกับถอดร่างไปเฉยๆอย่างนั้นแหะไม่ได้มีจุติปฏิสนธิอะไรนะครับคือหมายความว่าถ้าศพล้มกลิ้งปุ๊บมันมีกายทิพย์ออกจากเดินมาจากร่างกายเลยนะครับลุกขึ้นมาเลยนะครับลุกขึ้นมาแล้วก็ไปสิงในท้องใครอีกนะครับก็ไปสิงในนั้นก็เกิดต่อไปถามว่าจริงๆเป็นอย่างนั้นไม่ล่ะมีใครไปเป็นกายทิพย์กายอะไรกายหยาบ ก, กายละเอียดที่ไหนนะครับ คือถ้าไม่ได้เรียนเรื่องขันท่าโดยละเอียดโดยพิสดารก็จะเข้าใจแบบนั้นง่ายแต่ถ้าเรียนมาดีก็จะไม่เข้าใจแบบนั้นท่านสําคัญว่ารูปหรือเป็นอัตตาเวทนาใช่ไหมสัญญาสังขารหรือวิญญาณถ้าบอกว่าท่านสําคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอัตตาก็สิ่งนั้นต้องเที่ยงสิแต่นี่เที่ยงไหมรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วอัตตาที่ไหนมันจะไปเที่ยงใช่ไหมถ้าสําคัญว่ารูปเป็นอัตตาเอาเมื่อรูปไม่เที่ยงแลาวอัตตก็เกิดเสื่อมสิ แล้วเวทนาเที่ยงไหมสัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงอ่าเมื่อไม่เที่ยงแล้วไออัตตาตัวไหนไ ป, ไ ป, ไ, ปไปพาเกิดล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, ะที่บอกว่าเที่ยงนี่คืออยู่ว่าสําคัญว่าขันห้าเนี่ยเที่ยงแล้วขันห้าเนี่ยต้องเกิดอีกนะครับเป็นอันเดียวกันเนี่ยนะเหมือนกับโอ้โหที่ดูหนังหนังผีทั้งหลายแลยเนี่ยนะครับพอรถชนโครมล้มกลิ้งนะครับก็มีวิญญาเหมือนที่เรียกว่า เหมือนกับกายทิพย์มือนนะลอยออกมาจากร่างกายไปเที่ยวหลอกเที่ยวร้อนเป็นต้นเนี่ยนะนั่นแหละครับที่จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่หรอกแต่ที่ไปเป็นถึงเป็นลักษณะนั้นที่เรียกว่าไปเป็นผีที่จริงก็คือเปลี่ยนภพแล้วนะครับปฏิสนธิคนละภพแล้วนะครับหรือว่าที่โลกไม่เที่ยงก็คือประเภทอุเฉทิฏฐินะครับโลกส่วนพวกที่เจริญกสินขยายกสินได้กว้างขวางพอสมควรเรียกขยายขยายกสินมีที่สุด หรือว่าขยายกสิณได้ไม่มีที่สุดนะครับพวกนี้ก็จะสามารถเป็นได้ทั้งอุเฉธ ท, ธทิธิและเป็นทั้งสัสตตติฐินะครับส่วนพวกที่สําคัญว่าชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นและนะหมายคือว่านี่และอันเดียวกันเลยนะคือธรรมดาร่างกายเนี่ยทั่วๆไปมันก็ตายอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าใครสําคัญว่าชีพอันนั้นสรีระอันนั้นเนี่ยนะก็แสดงว่าเป็นอุเชธทธิธิคือตายแล้วก็ชีวิตก็เหลือแต่เท่าแต่ถาด น, นะนะ ถ้าพวกที่บอกว่าเอ้ยคนละอันนะชีพก็อันนึ่งสริระก็อันหนึ่งไอ้อัตตาเนี่อันหนึ่งร่างกายนี่อันหนึ่งแต่ถ้าหากว่าอร่างกายอันนี้ตายอัตฐานั้นจะไปล่องลอยพวกนี้ก็เป็นอ่าสัสตตทิฏฐินะครับหรือบางพวกก็บอกว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกหรือก็เป็นสัสตตทิฏฐิสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกเป็นอุเฉท ท, ทิฏฐินะครับ บางพวกก็บอกว่าเออสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกก็มีไอ้ไม่เป็นอีกก็มีพวกนี้ก็เป็นประเภทเอกาจักษ์สตติธิตินะครับบางพวกก็บอกว่าสัตว์ที่เบืใใ้องหน้าแต่ตายแล้ ว, ลวเป็นอีกก็หาไม่ได้ไม่เป็นอีกก็หาไ ม, ไม่ได้พวกนี้เป็นอมราวิเขปะนะครับพวกปลาไหลทั้งหลายถามว่าไอ้สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกหรือไม่เป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกหรือไม่เป็นอีกั สัตว์ไม่มีมีแต่ขันห้าอ๋อนะครับอน่ะนะอ่ะแล้วสรุปแล้วมันเป็นอีกหรือไม่เป็นอีกครับเมื่อเหตุปัจจัยให้วิญญาณจิตเกิดขึ้นมีปฏิสนทพันธวิญญาณจิตก็ย่อมมีอ๋อครับอืมข่าวาครนะมีนะผมถามอย่างงี้แหละยอมมาลงกลผมมาเยอะแล้วถามว่าเออสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกหรือไม่เป็นอีกบอกถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ยังเป็นอีกนะบางพวก บอกเออกิอีกเ ก, กิดอีกปรว่างนั้นเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์เลยปัญหาเหล่านี้นะก็สัตว์ไม่มีอ่ะจะไปสําคัญว่าสัตว์เป็นอีกหรือไม่เป็นอีกเล่ามันถ้าถามว่าเออสัตว์ที่คุณว่าเนี่ยรูปใช่ไหมเป็นสัตว์เวทนาใช่ไหมเป็นสัตว์สัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมเป็นสัตว์อารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะไม่เที่ยงเป็นไปด้วยปัจจัยใช่ไหมถายจะเสียกางานนี่ นี้ต่อไปนะครับบอกว่าส่วนบุคคลที่ไม่แวะส่วนที่สุดทั้งสองคือไม่ไปเกี่ยวข้องในส่วนสุดเหล่านี้คือไม่เกี่ยวข้องทั้งศาสตตทิฏฐิและอุดเฉททิอะไรเลยเนี่ยนะครับแล้วได้อนุโลมมขันติคือได้วิปัสนาญาณในสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยของการและการอาศัยการและการเกิดขึ้นหรือได้ยะถาภูตยานนะครับคือมัคคิยานนะครับ อย่างนี้แหละครับเรียกว่าบุคคลที่ไม่คล่องแหวะอันนี้สายสัมมาทิฏฐิครับอย่าลืมว่าอาสยะนี้แบ่งออกเป็น2ใช่ไหมครับคือพวกสายมิจฉาทิฏฐิกับสายสัมมาทิฏฐิทีนี้พวกสายสัมมาทิฏฐิก็มาแบ่งเป็นวิปัสสนาหรือกรรมสกตานี่อย่างหนึ่งหรือพวกที่ได้อริยมรัคนี่อย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือสายที่เป็นสัมมาทิฏฐิทีนี้พวกที่ได้อนุโลมขันตินะครับคือพวกที่ได้วิปัสสนาเนี่ยนะครับ จะไม่มีความสำคัญว่าเที่ยงหรือมีความสาคัญว่าขาดศูนย์จะไม่มีความสำคัญว่าเป็นสัสตตตถิติหรืออุเฉทธททิติเลยถามว่าทาไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผู้ที่มีความรู้เรื่องขันห้าดีจะไม่สำคัญว่าขันห้าเที่ยงหรือศูนย์เพราะไม่ได้สำคัญว่าขันห้าเป็นศัพท์นะครับไม่ได้สำคัญขันห้าว่าเป็นชีวะ เป็นปุริสะเป็นอัตตาอะไรเลยไม่มีความสําคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาอะไรเลยเอ๊ะถ้าไม่สําคัญว่ารูปเป็นอัตตาแล้วสําคัญว่ารูปเป็นอะไรครับเอาเมื่อสําคัญว่ารูปเอ่อเมื่อไม่สําคัญว่ารูปเป็นอัตตาแล้วอย่งนั้นรูปเป็นอะไรล่ะรูปก็คงเป็นรูปอยู่อ๋อเป็นรูปใช่ไหมครับอ๋อถูกต้องครับรูปก็เป็นรูปจะเป็นใครล่ะอืมเก่งเนาะก็รูปก็ยังเป็นรูปนั่นแหละครับไม่ได้เป็นใครหรอก ถาดดินก็ยังเป็นถาดดินนั่นแหละถาดน้ําถาดไฟถาดลมถาดอะไรทั้งหลายแหละก็เป็นแต่สภาวะธรรมนั้นนั่นแหละครับรูปก็คงเป็นรูปเวทนาก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาก็เป็นสิ่งนั้นๆแหละไม่ได้เป็นใครสักอย่างแล้วก็ไม่เป็นของใครเป็นสภาวะธรรมที่เกิดเป็นไปกับด้วยปัจจัยแต่ผู้ทุชนผู้เขาไม่ได้ทำปริญญาในสิ่งเหล่านี้นะครับก็สําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราและเป็นของเรานะครับ พวกที่ไม่คล่องแวะเป็นศาสตตถิธิหรืออุเฉทถิฐิเนื่องจากมีความเข้าใจถูกว่าอันที่จริงแล้วมีแต่ขันห้านะครับมีแต่รูปนามขันห้าเช่นทางตาเนี่ยก็มีแต่ขันห้าใช่ไหมครับทางหูก็มีแต่ขันห้าทางจมูกก็มีขันห้าทางลิ้นก็ขันห้าทางกายก็ขันห้าทวารใจก็ขันห้ายกตัวอย่างว่าเช่นทวารลิ้นเนี่ยนะครับขันห้าได้ยังไงลิ้นกับรบเป็นรูปประขัน ชิวหาวิญญาณที่รู้รสเป็นวิญญาณขันนะครับเวทนาที่เกิดขึ้นรู้นะครับสเสวยอารมณ์เป็นเวทนาขันสัญญาที่สําคัญหมายในรสเป็นสัญญาขันเจตนาเป็นต้นเป็นสังขารขันเพราะฉะนั้นขันถ้าเท่านั้นเกิดขึ้นในขณะที่ลิ้นรับรู้รสในขณะนั้นหามีสัตว์อยู่ตรงนั้นไหมนะครับไม่มีสัตว์เลยแต่สภาวะธรรมเหล่านี้เป็นไปกับด้วยปัจจัยนะอา้าวถ้าไม่มีสัตว์แล้วใครรู้ล่ะ ใครรู้รถอะถ้าไม่มีสัตว์ตรงนั้นอวิญญาณเนี่ยรู้ถามว่าทำไมวิญญาณจึงรู้เพราะวิญญาณเป็นไปกับด้วยปัจจัยนะครับเป็นไปกับด้วยปัจจัยถามว่าปัจจัยของวิญญาณนั้นคืออะไรลิ้นกับรถิ้นเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของชีวหาวิญญาณอันนั้นรถเป็นอารามณะปัจจัยของวิญญาณนั้นมานสิการเป็นอนันตระปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณอันนั้น กรรมในอดีตเป็นกรรมะปัจจัยให้วิญญาณอันนั้นเกิดนะครับชาวนะก่อนๆเป็นประโยคะนะครับเช่นการเคี้ยวการตักใส่ปากก็เป็นประโยคะเพื่อการเกิดขึ้นของชิวหาวิญญาณอันนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ผู้ที่รู้รสในที่นี้ก็คือชิวหาวิญญาณชิวหาวิญญาณก็เป็นไปกับด้วยปัจจัยก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะตักอาหารใส่ปากชิวหาวิญญาณอันนั้นเกิดก่อนแล้วใช่ไหมไม่ใช่เขาได้ปัจจัยแล้วเกิดเลยนะครับได้ปัจจัยวิ ญ, ญญาณทั้งหลายก็เกิด แต่ในบรรดาปัจจัยก็มีกรรมะปัจจัยเป็นต้นนะครับเป็นไปตามกรรมและผลของกรรมอันนี้เป็นผลของเหตุเก่านี่อย่างหนึ่งแต่อาศัยวัตถุอารมณ์แล้วก็นำลายเป็นต้นนะครับเป็นปัจจัยให้ลิ้นรับรู้รสทีนี้เมื่อรับรู้รสแล้วทำกรรมใหม่นะครับอร่อยไมมชอบไมมถ้าชอบก็เป็นโลพาไม่ชอบก็เป็นโทสะไม่สนใจก็เป็นโมหะแต่ถ้าปัจเจเวกเป็นต้นก็เป็นกุศลศีลนะครับ ถ้าปัจเจวกเป็นต้นก็เป็นบุญเป็นกุศลไปแต่ถ้าไม่ปัจเจวกเลยโอ้แสบหลายก็นะครับถ้าจุติตรงนั้นก็นะครับนะครับจุติตรงนั้นก็นะครับนรกเดรฉานนะครับครับก็คืออบายนั่นแหละครับสรุปแล้วย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าผู้ที่ติดใจในรสโดยมากก็เดรฉานนะครับเกิดเป็นสัตว์ที่กินไม่รู้จักอิ่มสักพิ้งนะครับเป็นต้นนะครับพูดเองนะครับตามพระสูตรนะ ผู้ที่ไม่ข้องแวะเนื่องจากไม่สำคัญว่าเป็นสัตว์เลยในทวารทั้ง6นะครับไม่สำคัญว่าสัตว์เลยว่าในทางตาไม่สำคัญว่าสัตว์เลยในทางหูไม่สำคัญว่าสาาัตว์าาเลยทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเนื่องจากประมวลสิ่งเหล่านี้พิจารณาค่าควรแล้วมีแต่รูปนามขันห้าเท่านั้นเองในทวารทั้ง6ดีนะครับทีนี้รูปนามขันหเหล่านี้นี่นะครับ ตาก็เก ja ิดจากปัจจัยของตาสีก็เกิดจากปัจจัยของสีจากคูวิญญาณภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นก็เกิดจากปัจจ you know ัยของเขานั้นๆหูเสียงโสตวิญญาณภาษาเวทนาก็เกิดจากปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นนั้นจมูกกลิ่นคานาวิญญาณคานะสัมผัสเวทนาเป็นต้นก็เกิดจากปัจจัยของสิ่งนั้นนั้นเลนส์รสชิวหาวิญญาณภาษาเวทนาก็เกิดจากปัจจัยนั้นๆกายโพธะะ นะครับกายวิญญาณภาษาเวทนาก็เกิดจากปัจจัยของสิ่งนั้นๆนะครับมโนธรรมะมโนวิญญาณก็เกิดจากปัจจัยของสิ่งนั้นๆนะครับอาจารย์อาจารย์ลองไล่ปัจจัยของแต่ละทะวารอีกทีนึลงลากรอบ2รอบจะได้จับนะครับทบทวนนะครับเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยของทวารทั้งหนะครับเช่นตานี่นะครับจกักรคูปสาทะเนี่ยนะครับมีมีมีอะไรเป็นปัจจัยมีมหาภูตรูปสี่เป็นนิสยาปัจจัยให้นะครับ มหาภูตรูปสีเนี่ยเป็นที่อาศัยให้เกิดจากขู่ภาษาทะเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับกรรมในอดีตเป็นนา น, านักขะคณิกกรร ม, มะปัจจัยให้จากขู่ภาษาทะเกิดตันหาในอดีตที่ยินดีในสสีเป็นอุปนิสัยให้จากขู่ภาษาทะเกิดนะครับนะเพราะฉะนั้ น, น, นอวิชาตันหากรรมในอดีตและอุปาทานในอดีตนะครับเป็นอุปนิสัยเป็นกรรมมะปัจจัยเพื่อการเกิดขึ้นแห่ง จากขู่ภาษาท่าเหตุใกล้ของจากขู่ภาษาท่าได้แก่มหาภูตรูปสีซึ่งมีกรรมเหล่านั้นนั่นแหละเป็นปัจจัยทีนี้ อ, อ, อาศัยอาหารเป็นต้นเป็นผู้บำรุงเลี้ยงดูจากขู่ทั้งหลายนะครับอาศัยสมุทฐานอื่นๆช่วยอุปถัมอาไว้นะครับทีนี้สีแหะครับสีที่เห็นก็ว่าเห็นสีอะไรเช่นสีผิวของเราสีก็เกิดจากสมุทฐานสีผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันเนื่องจากกรรมไม่เหมือนกันอาการเกรง็งอาการอะไรเป็นต้นก็เป็น จิตแต่ชรูปอ้วนผอมก็เป็นอาหารชรูปนะครับหากว่าตากแดบดบหรือคล้ำไปอะไรไปก็อุตุชรูปทั้งหลายแล้วนี่นะครับสีก็เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารนะครับผู้รวมๆทีนี้เมื่อตากับสีตาซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลของกรรมกระทบกับสีนะครับโดยที่มีมนสิกาและมีแสงสว่างเป็นปจัจจัยจากครูวิญญาณ ก, ก็เกิดกรรมในอดีตก็ให้ผลทันทีให้ผลเป็น จากขูวิญญาณการเห็นก็เกิดขึ้นนะครับอาศัยจากขูรูปจากขูวิญญาณเนี่ยสวมรวมกันแบบนี้เรียกว่าผัสสะเนื่องจากกระทบอารมณ์นี่เมื่อผัสสะก็เสวยอารมณ์ในขณะนั้นเวทนาทั้งผัสสะเวทนาอ น, นั้นก็เป็นผลของกรรมนะครับเป็นผลของกรรมทีนี้ผัสสะที่เกิดในจากขูวิญญาณเวทนาที่เกิดในจากขูวิญญาณก็เป็นผลของกรรมเวทนาที่เกิดในสัมปติชนะสัมเิรณะนะก็เป็นผลของกรรม เวทนาที่เกิดในวัฏพนะก็เป็นกิริยาชาวนะเวทนาในชาวนะก็เป็นเวทนาที่เป็นอยู่ในกลุ่มกรรมใหม่อยู่ในกลุ่มกรรมใหม่นะครับนั้นเวทนาในชาวนะหรือเจตนาในชาวนะโดยเฉพาะเจตนาในชาวนะนั้นถือว่าเป็นกรรมใหม่นะครับเพื่ออุปติภพอันต่อไปนะครับแล้วก็จะเป็นปัจจัยลนนักษณะนี้ทวาหูก็คล้ายกันแต่ว่าหูก็มีอวิชาตันหาอุปาทานกรรม ในอดีตนั่นแหละเพื่อความเกิดแห่งหูนะครับโดยที่มีอาหารเป็นต้นเป็นพี่เลี้ยงหูนะครับนะครับร น, <c oughs> นึกว่าจะ ง, ง่ายขึ้นน ะ, ะน <c oughs> ก็พูดคิดว่าพอรับรู้ได้ก็เลยพูดนะครับแต่ตอนหลังก็ตามคำขอนะครับนะครับนี่เอาเบาๆนะครับมีละเอียดกว่านี้นะ <c oughs> ทีนี้ในในทวารทั้ง6นะครับก็ควรประมวลด้วยปัจจัยนะครับเมื่อประมวลด้วยปัจจัยอย่างนี้เนี่ยนะครับว่าเ อ, อไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกเลนกายใจเนี่ยนะมันเกิดจากปัจจัยอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้เกิดลอยๆอย่างที่บางคนเขาคิดขึ้นไม่ได้ว่ามันจะเกิ ด, ม, กกดมันก็เกิดนะใครอยากตาบอดมันก็บอดเป็นต้นไม่ใช่มันก็เกิดจากอวิชาตันหาอุปาทานกรรมนั่นแหละเป็นเหตุให้จกักระเหล่านี้เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันอาศัยจักรครูเหล่านี้ก็ทํากรรมใหม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทํากันใหม่กรรมใหม่เพื่ออะไรครับเพื่อให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาศัยกรรมอาศัยอวิชาตันหาอุปาทานกรรมในอดีตเพื่อให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้แล้วก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ทําอวิชาตันหาอุปาทานกรรมใหม่เพื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันต่อไปในอนาคต ทีนี้ถามว่าเออตาหูจมูกเล่นกายใจอันนี้เที่ยงไหมไม่เที่ยงไม่เที่ยงเกิดลอยลอยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นไปตามปัจจัยอ่า น, นะปัจจัยคืออวิชาตันหาอุปาทานและกรรมนะครับอวิชาตันหาอุปาทานกรรมอันใหม่ในปัจจุบันชาตินี้แหละครับเป็นเหตุเพื่อเกิดขึ้นแห่งตาหูจมูกเล่นกายใจอันต่อไปในอนาคตต่อไปนะครับเมื่อเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยลักษณะนี้นี่ยครับเช่น จากครูอันนี้มีเพราะกรรมในอดีตเป็นปัจจัยถ้ารู้ปัจจัยอันนี้ก็ละอุเฉททิฏฐิได้แต่ถามว่าจากครูเหล่านี้เที่ยงไหมล่ะไม่เที่ยงตาหูจมูกเลนกายใจไม่เที่ยงไม่ถ้าความเห็นความสำคัญว่าไม่เที่ยงก็ละสัตตทิฏฐิได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าไอ้ที่ไม่เที่ยงนี่ได้ปัจจัยแล้วเกิดได้ปัจจัยแล้วเกิดนะตาได้ปัจจัยแล้วตาก็เกิดหูได้ปัจจัยหูก็เกิดถ้าหมดปัจจัยหูก็ก็ดับ แต่ว่าปัจจัยที่จะให้หูดับจริงๆที่ไหนครับก็ต้องระดับอรหันตผลนะครับจึงจะดับหูได้นะครับจึงจะหมดดับตันหาเพื่อเป็นเหตุให้เกิดหูนะครับแต่ถ้าไม่ดับตันหานะกรรมที่เป็นปัจจัยให้มีหูเนี่ยมหาศาลนะครับไม่มีจบมีสิน้นแต่ต้องละอวิชาระตันหาได้แล้วนะครับกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดหูจึง หมดไปนะครับถ้าหากว่าละตันหาวิชาไม่ได้กรรมที่เป็นเหตุให้มีหูต่อไปนี่ก็หมดหวังนะครับเราต้องบําเพ็ญบารมีเพื่อให้อริยมรรคเกิดขึ้นนั่นแหละครับฟังแล้วไม่เห็นสนุกตรงไหนเลยทําไมครับ๋ อ, อมันไม่น่าสนุกเลยครับเรื่อง<ำ>มีหูใหม่ตาใหม่อะไรอย่างนี้ครับเพื่อเห็นอีกใช่ไหมครับเพื <laughs> ่อก็เห็นเด็กเมื่อเช้าสนุกไหมครับ <laughs> ถ้าเรานี่แก่ตายก็มาเป็นแบบนี้อีกเอามาแล้วผมนึกถึงเมื่อก่อนนนาผมบอกว่าเอาพูดถึงเรื่องการบริจาคดวงตาบอกเฮ้ยพวกแกอย่าไปเปิจากนะเดี๋ยวเกิดชาติมามาไม่มีตาย <c oughs> งั้นผมจะบริจาคทั้งตัวเลยหัวใจเลยจะได้หมดสตีชาติน่ะนั <c oughs> ่นนะถ้าบริจาคแล้วมันจะหมดเพราะบริจาคเลยนะจะไปบริจาคให้มันหมดทีเดียวเลยจะได้จบสักทีนึงอรหัตตมรักอยู่แค่เอื้อเมื่ออย่างงั้นนะครับ บริจาคให้กับวรรศาสนาฮรศาสนาถ้ยังไปได้มันนะเก่งมากเก่งนะครับศาสนาไหนครับก็มีตาก็ใช้ตานะครับศึกษาพระธรรมวินยัยครับมีกายก็ใช้ทําความเพียรับมีวาจาก็กล่าวทำศาสนาได้แก่อะไรครับศาสนาก็ได้แก่พระธรรมวินัยของพระพูทธมเหภาคีาประมวลลงเป็นอริยสัจสี่ศีลสมาธิปัญญาณนะ มันก็คือศีลสมาธิและปัญญานั่นเองนะครับเรียกว่าศาสนาพรทมาจังวันนี้ดูมาลึกซึ้งขึ้นเลยนะไปคิดอะไรมาเนี่ยกุศลเจริญขึ้นมาเยอะเลยนะ <c oughs>